เสำหวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทําหน้าที่ในการบรรยายอยู่ในชาดกสัตตกานิบาตชาดกบ่าด้วยอนิสงค์ของการถวายข้าวกลุ่มมาศอันนี้เป็นเรื่องราวในอดีตของพระนางมารีกานะก่อนที่พระนางมารีกาจะได้มาเป็นมเหสีของพระเจ้าประเสนที่กุศลเนี่ยอนิสงค์ที่นางได้ถวายข้าวกลุมมาศแด่พระพุทธเจ้านะให้ผลภายในชาตินิยม เนี่ยอั น, นิสงส์ที่ถวายทานเนี่ยายยมฟังเรื่องราวโดยพิสดารในพระไตรปิฎกเล่มนี้เลยอยู่ในกุมมาปินดาชาดกยมนะพระสาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันทรงปรารพพระนางมริกาเทวีจึงตรัสเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าณนนะกิรชิดังนี้ความพิสดารว่าพระนาง พนางคือพระนางมริกานะเป็นที่ดาของหัวหน้านายมาราการคนหนึ่งในพระนครสาวัตถีมีรูปโฉมเลอเลอิศมีปัญญามากเวลาพนางมีผ้าชนมายุ1 6บพรรษาคือเป็นลูกสาวของหัวหน้าคนขายดอกไม้ยมก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมีหน้าตานะคล้ายๆเป็นเท่าแก่ขายดอกไม้อย่างเนี้ย ตอนที่นางมีอายุส6ปีนะวันหนึ่งกำลังไปสวนดอกไม้พร้อมกับหญิงสาวทั้งหลายคือเป็นหญิงบริวาร น, นะหยิบเอาขนมกุมมาสสามก้อนวางไว้ในกระเช้าดอกไม้เดินไปเวลาออกไปจากพระนครพระนางเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปริงรัศมีจากพระสริระมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมกำลังเสด็จเข้าพระนคร จึงน้อมก้อนขนมกุมมาสเหล่านั้นเข้าไปถวายพระศาสดาทรงยื่นบาทที่เท้าจาตุมหาราชที่เท้าจาตุมหาราชถวายออกรับฝ่ายพระนางบรรทาพระบาทของพระตถาคตด้วยเสียงกล้าวแล้วได้ยึดเอาปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ยืนอยู่ณที่สมควรข้างหนึ่งพระศาสดาเมื่อทรงทอดพระเนตรนาง ได้ทรงกระทำการแย้มให้ปรากฏอย่ากว่าแย้มพระโอษนะท่านพระอนุเทตรจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อ, อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการแย้มสรวนของพระตถาคตเจ้าคือปกติพระพุทธองค์จะไม่ทรงแย้มพระโอษโดยทั่วไปนะจะต้องมีเหตุจะต้องมีเหตุ ให้พระ อ, องค์ทรงแย้มนะพระอนุนท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะปกติเนี่ยพระองค์จะไม่ทรงแย้มพระโอษนะแต่วันนี้ทำไมทรงแย้มทรงแย้มพระสัจดาตรัสถึงเหตุแห่งการทรงแย้มแก่พระอานุ์ว่าดูก่อนอานุน์กุ ม, มาริกาคนนี้จักได้เป็นอัครเมรสีของพระเจ้าโกรศนในวันนี้ทีเดียวเพราะผลแห่งการถวายก้อนขนมกุมมารเหล่านี้อืี๋ยวนะ ถวายขนมกุ ม, มา ส, สามก้อนเนี่ยเดชพระพุทธเจ้าได้รับอนิสงค์ทันตาเห็นโยมคือได้จะได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าโกศล น, นะฝ่ายพระนางกุมขอไปฝ่ายนางกุ ม, มาริกาไปสวนดอกไม้แล้วในวันนั้นเองพระเจ้าโกศลทรงรบกับพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงปราชัยในการรบแล้วคือพ่ายแพ้พระเจ้า อาชาศัตรูนะเมื่อทรงล่าถอยได้ทรงม้าต้นเสร็จมาทรงสนับเสียงขับเพลงของนางทรงมีพระไัยปฏิพัฒน์โอ้แสดงว่านางคงจะร้องเพลงอยู่ที่สวนดอกไม้นะก็มีจิตใจรักใคร่ในเสียงของนางจึงทรงควบม้าต้นมุ่งหน้าสู่สวนนั้น กุมาริกาพูดถึงพร้อมด้วยบุญเห็นพระราชาแล้วไม่หนีเลยมาจับเชือกบังเหียนม้าส่งไว้ <c oughs> คนมีบุญยมไม่กลัวพระราชานะรู้ว่าพระราช า, าส่งมา้าเข้ามาที่สวนดอกไม้ของตัวเองเนี่ยก็เดินไปจับบังเหียนม้านะเพราะว่าพนังมีบุญแล้วก็เป็นคนที่มีวาสนาในการก่อนโยมพระราชาประทับนั่งบนหลังมา้าท่งนั่นเอง ตรัสถามว่าเธอมีสามีหรือยังโยมเมื่อทรงทราบว่ายังไม่มีสามีจึงได้เสดลงจากหลังม้าต้นทรงอิดโรยเพราะเพราะลมและแดดทรงบรรทมไม่หลับไปงีบหนึ่งบนตักของนางแล้วให้นางนั่งบนหลังม้าทรงมีพลนิกายแวดล้อมเสร็จเข้าพระนครโอ้โหโยม ยึดต่อไปเป็นมเหสีเลยทรงส่งนางไปยังเรือนของผู้มีตระกูลของตนเวลาเย็นทรงส่งยานไปให้นําเอานางมาจากเรือนของผู้มีสกุลอ๋อยังไม่ได้เอาไปเป็นมเหสีเลยนะโยมเอาไปฝากไว้ในบ้านของผู้ที่มีตระกูลอยู่ตอนเย็นก็ได้ส่งยานไปรับมาเป็นมเหสีนะ ทีนี้ก็ให้สักรส ม, มณะมากมายนะให้นั่งใกล้กรองรัตนะคือให้นั่งใกล้กรองเงินกรองทองวังนั้นเตยุมทรงทาการอภิเสกแล้วได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นอัครมเหสีจำเดิมแต่นั้นมาพระนางทรงเป็นที่โปรดปรานเป็นที่พอพระราชทานไทยของพระราชา ทรงเป็นเท พ, พดาของผัวผู้ประกอบด้วยกรรยานธรรม5ประการคือทําหน้าที่ของภรรยาอย่างดีนะมีการตื่นก่อนเป็นต้นได้ทรงเป็นผู้ใกล้ชิดแม้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นผู้ที่ขวนขวายในการทําบุญให้ทานอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์แล้วก็พระพุทธเจ้านะพระนางมณีกาเทวีเนี่ย การที่พระนางทรงถวายขนมกุมม่าสามก้อนแด่พระศาสดาแล้วได้ทรงประสบสมบัตินั้นได้ระบือไปทั่วพระนครคือเสียงเซ็งแซ่อื้อึอึงกล่าวขานถึงอนิสงฆ์ที่ลูกสาวคนขายดอกไม้นางมริกาเนี่ยได้ถวายข้าวกุมม่าสามก้อนแด่พุทธเจ้าอนี่นิสงฆ์ทัางตาเห็นเลย ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าบาเสนที่คือสนนี้อา น, นิสง์มากเลยเกินน่าการถวายการถวายไทยธรรมแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยข่าวขาวก็ฟุ้งเข้าจอไปยมภายหลังอยู่มาวันหนึ่งพิกษจ์ทั้งหลายพาการตั้งข้อสนทนากันขึ้นที่ธรรมสภาว่าดูก่อนอวุโสพระนางมริกาเทวีทรงถวายขนมสามก้อนแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยผลของการถวายเหล่านั้นทรงได้รับอภิเสกในวันนั้นเองความที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่หน้าอัศจรรย์อันนี้อันนี้รงที่ถวายแก่พระพุทธเจ้าภิกษุก็มานั่งพูดคุยสนทนากันถึงอนุภาพแห่งคุณของพระพุทธเจ้านะความที่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่หน้าอัศจรรจิงพระสาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้เรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูนว่าด้วยเรื่องชื่อนี้แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่น่าอัศจร์เลยการที่พระนางมารีกาเทวีทรงถวายขนมกุ ม, มาร แต่พระสัพพันยูพุทธเจ้าพระองค์เดียวแล้วทรงได้รับความเป็นพระมเมศีของพระเจ้าโกศนเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเป็นผู้มีพระคุณมากอันนี้ก็หมายความว่านะคือพระองค์ทรงตรัสว่าการที่พนางมาริกาเทวีเนี่ย ถวายขนมกุ ม, ม่าแดดพระพุทธเจ้าแล้วได้เป็นพระอัครเมสีเนี่ยมันไม่อัศจรรย์หรอกทําไมจริงไม่อสสัศจรรย์เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนะี่ยมีพระคุณมากนะมีพระคุณมากเป็นเนื้อนาบุญอย่างยอดเยี่ยมของโลกวังนั้นเถอนะนะการที่พระนางมาริการเทวีทรงถวายขนมกุ ม, ม่าแดดพระสัแด่พระสัพพัญญู พ, พุทธเจ้าพระองค์เดียวแล้วทรงได้รับ ความเป็นพระมเหสีของพระเจ้าโกศลเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเป็นผู้มีพระคุณมากส่วนบัณฑิตในปางก่อนได้ถวายขนมกุมมาจืดไม่ผสมเกลือไม่มีน้ำมันไม่ผสมน้ำอ้อยแก่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วได้รับสิริราชสมบัติในแคว้นกาสีประมาณสามโยต ในอัตภาพที่สองพระผลแห่งการถวายขนมนั้นน่าอัศจรรย์เท่ดังนี้อันนี้พระองค์ทรงเปรียบเทียบระหว่างพระนางมารีกาเทวีถวายขนมกุ ม, มาร ก, กับพระพุทธเจ้าแล้วได้เป็นพระอัครเมสีนะเปรียบเทียบกับคนขอทานเข็นใจโยมได้ถวายขนมกุมมารจืดนะ ไม่มีเกลือไม่มีน้ํามันไม่มีน้ําอ้อยแก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังได้ราชสมบัติในแฝนกาสีประมาณ3มโยชนะทั้งที่พระปัจเจกับพุทธเจ้าเนี่ยจะมีคุณน้อยกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่ามีคุณเทียบกันไม่ได้เลยนะขนาดขนาดถวายกับพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าเนี่ยยังได้เป็นพระราชาโยมจะปวาา่วยกล่าวใบใยว่าเมื่อถวายกับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าแล้วเนี่ย จะไม่ได้เป็นพระอัครมเหสีเนี่ยท่านจึงบอกว่าไม่อัศจรรย์ลอกนะไม่น่าอัศจรรย์เลยเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีคุณมากนะแล้วได้ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพลอมทัศน์ครองราชสมบัติอยู่ในนคนพรพาราสีพระบริษัตเกิดในตระกูลของคนยากจนตระกูลหนึ่ง เติบโตแล้วอาศัยเศรษฐีคนหนึ่งทำงานรับจ้างเลี้ยงชีวิตอยู่มาวันหนึ่งเขาถือขนมกลุมมาสี่ก้อนมาจากตลาดโดยคิดว่าขนมเหล่านี้จักเป็นอาหารเช้าของเราเมื่อเดินไปทำงานได้เห็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าสี่องค์กำลังเสด็จมาบ่ายพระพักไปพระนครพระนศีเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุอาจารย์ จึงคิดว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าเหล่านี้เสด็จไป พ, ร, พระนครพารณสีเพื่อต้องการพิาจารย์เราก็มีขนมกุ ม, มาสีก้อนนี้ท้ากะไรแล้วเราควรถวายแก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าเหล่านี้แม้จะเป็นคนยากจนเข็นใจแต่ก็มีศรัทธาที่จะถวายอาหารบิณฑบาแตแด่พระปัจเจกับพุทธเจ้านะอยากได้บุญยงแล้วเข้าไปเฝ้าท่าน ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มีขนมกุมมา้าดในมือสี่ก้อนข้าพระองค์ขอถวายขนมขนมเหล่านี้แก่พระองค์ทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพระองค์ขอโอกาสขอพระองค์ทั้งหลายจงทรงรับเถิดแม้เมื่อเป็นเช่นนี้บุญนี้จะมีแก่ข้าพระองค์เพื่อประโยชน์และความสุขตลอดกาลนาน ได้ทรงทราบการรับนิมนต์ของพระองค์ท่านแล้วก็แต่งอาสนะก็แต่งอาสนะสี่ที่โดยพูนทรายขึ้นลาดกิ่งไม้และผ้าเปลือกไม้ไว้บนกองทรายเหล่านั้นนิมนต์พระปัจเจ ก, กับพระพุทธเจ้าให้ประทับนั่งตามลำดับแล้วเอากระทงใบไม้ตักน้ำมาหลังทักทกินโวทก วางขนมกุ ม, มารสี่ก้อนลงในบาตรสีใบมรก้อนเล็กก้อนใหญ่ขนาดไหนโยมนี่ท่านจะชั้นอิ่มหรือเปล่าไม่รู้เ น, ะนาะนมัสการแล้วถูนว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยผลเองการถวายขนมกุมมารเหล่านั้นขึ้นชื่อว่าการเกิดในเรือนคนจนขอจงอย่ามีเลย ขอให้การถวายทานนี้จงเป็นปัจจัยแห่งการบรรลุพระสัพพัญญุตยานผู้โยมเนาะตั้งความปรารถนาเป็นพนระพุทธเจ้าอันนี้ก็สมัยที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์นะพัดผูก็ไปเกิดเป็นคนยากจนโยมเนาะอันนี้ก็ตั้งความปรารถนาอย่าได้มาเกิดในตระกูลยากจนเลยและขอจงเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุซึ่งพระสัพพัญญุตยานนะ พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็เสวยทันทีในที่สุดแห่งการเสวยทรงทำอนโมทนาแล้วได้ทรงเหาะไปสู่เนื้มเขานันทะูละนั่นเองเป็นที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้านะเรียกว่าเนื้มเขานันทมูละกะอยพระโพธิสัตว์ประคองอัญชิีแล้วเอาปีติ ที่เป็นไปในพระปัจเจกับผู้ได้เจ้าเป็นอารมณ์พอพระปัจเจกับผู้ได้เจ้าเหล่านั้นละสายตาไปแล้วก็ไปณที่ทํางานของตนแม้ท่านทํากรรมเพียงเท่านี้แต่ราลึกถึงทานนั้นตลอดอายุอืเรียกว่ า, าจารคานุสตินะโยมนะจารคานุสติเป็นการเจริญสมถะทําให้จิตใจสงบ แล้วก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งนะที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงอารมณ์กรรมฐาน40ไว้อยู่ในอนุสติสิบยมเรียกว่าจาคานุสติเนี่ยการตามรลึกถึงทานของตัเองที่ได้ให้ไหว้พระบริสัทธธ์ก็เหมือนกันนะให้ทานเพียงแค่ครั้งเดียวนะแต่มารำลึกถึงทานนั้นอยู่ตลอดเสมอเสมอเลยเนี่ยจนกระทั่งถึงอายุไข ย, ยมถึงแก่กรรมแล้วก็ถือกาเนิด ในพระอุทธรของพระอัครเมสีของพระเจ้าพาระนศีถวายขนมกุ ม, มาสีก้อนยมแดะรึกถึงก่อนตายเนี่ยได้ไปเกิดในพระคันของพระอัครเมศสีเรียกว่าเป็นโอรสของพระราชาโ ย, ยมพระราชาพญาทั้งหลายได้ถวายพระนามว่าพรหมทัตกุมารท้าเธอจำเดิมแต่เวลาที่ตนเสด็จดำเนินไปด้วยพระบาท ทรงเห็นกิริยาอาการของตนในชาติก่อนปรากฏชัดคือระลึกชาติก่อนของตัวเองได้ว่าเมื่อก่อนตัวเองเคยเป็นคนยาจกหาเช้ากินขํามอะนะด้วยความรู้ตระึกชาติได้เหมือนเห็นเงาหน้าในกระจกเงาที่ใสว่าเราได้เป็นลูกจ้างในนครนี้นั่นเอง เมื่อเดินไปทำงานได้ถวายขนมกุ ม, มาสี่ก้อนแก่พระปัจเจกับพุดิจจ้าทั้งหลายได้ถือกำเนิดในที่นี้เพราะผลของกรรมนั้นเท้าเธอทรงเจริญวัยแล้วเสด็จไปยังนครตักกะศิราทรงเรียนศิลปะทุกอย่างแล้วเสด็จกลับมาทรงแสดงศิลปะที่ทรงศึกษามาแล้วแก่พระราชบิดา แล้วพระราชบิดาทรงพอพระราชฤทัยทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งอุปราชในการต่อมาโดยสิ้นรัชการของพระราชบิดาก็ได้เสด็จเถลงิงถวันรา ช, ชสมบัติโยมเนาะก็ได้เป็นพระราชาก็เป็นธรรมดาโยมลำดับนั้นอำมาตย์ทั้งหลายพากันนำพระราชธิดาของพระเจ้าโกศลผู้ทรงเลอโฉม มาถวายให้เป็นพระอัครมเมสีของพระองค์ก็ในวันฉัตรมงคลของพระองค์คนทั้งหลายได้พากันตกแต่งพระนครให้เหมือนเทพนครกอบปานกันพระองค์เสร็จเรียบพระนครแล้วเสร็จขึ้นปราสาทที่ตกแต่งแล้วเสร็จขึ้นพระราชบัลลังก์ที่ยกสวติตตฉัตรขึ้นไว้ณนะถม้มกลางชั้นที่กว้างใหญ่ ประทับนั่งแล้วส่งทอดพระเนตรประสงคนิกรทั้งหลายที่พากันยืนเฝ้าด้านหนึ่งอาที่พากันยืนเฝ้าด้านหนึ่งเป็นอมมาด้านหนึ่งเป็นขบดีมีพราหมขบดีเป็นต้นผู้มีสมบัติต่างๆกันมีความรุ่งเรืองสุขใสด้วยสิริวิราชด้านหนึ่งเป็นประชาชนชาวกรุงมีมือถือเครื่องบรรณาการ นานาชนิดด้านหนึ่งเป็นคณะหญิงฟ้อนจำนวน 16,000 พนนางปานประหนึ่งสาวอัปสรผู้ตกแต่งแล้วฉะนั้นและสิริราชสมบัตินี้เป็นที่รื่นรมพระไทยยิ่งนักทรงรำลึกถึงกุศลกรรมที่ตนบำเพ็ญไว้ในปางก่อนทรงรำลึกถึงพระคุณของพระปัจเจ ก, กับะพุทธเจ้าทั้งหลายว่าสิริสมบัติแม้ทั้งหมดนี้ คือหอทองหอนี้หนึ่งดอกไม้ทองหนึ่งเวตฉัดหนึ่งช้างม้าและรถที่เป็นราชพาหะเหล่านี้จำนวนหลายพันหนึ่งห้องครังที่เต็มด้วยแก้วมณีและแก้วมุกดาดเป็นต้นหนึ่งนดินใหญ่ที่เต็มไปด้วยธั ญ, ญชาตน า, นานาชนิดหนึ่งเหล่านาตรีที่เทียบเคียงกับสาวอปสรหนึ่งเป็นสมบัติของเรา ไม่ใช่ของคนอื่นแต่เป็นสิ่งที่อาศรรยัยการถวายขนมกุ้ ม, ม่าสีก้อนแก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าสีองค์นั่นเองสมบัตินั้นเราได้มาเพราะอาศรรยัยพระปัจเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้นดังนี้แล้วได้กระทํากรรมของตนให้ปรากฏเมื่อพระองค์ทรงรำลึกถึงผลของกรรมนั้นแล้วพระสรีระทั้งสิ้นเต็มเปลี่ยมไปด้วยปีติ พระองค์ทรงมีพระราชาริทัยชุ่มเย็นด้วยปีติโอ้โหโยมนะอันนี้อั น, นิสง์เพียงแค่ถวายข้าวขนมกุมมาชีก้อนโยมได้รับอั น, นิสง์มากมายเหลือเกินโยมการให้ทานนั้นเหมือนโยมได้ฟังเรื่องจากทักษิณาวิพังคสูตรนะการถวายทานแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นมีอั น, นิสงนับไม่ได้ประมาณไม่ได้โยมเหมือนกับ การถวายขนมกุมม่าสีก้อนของอืมของว่าบริษัทสมัยเป็นคนยากจนได้รับอนิสงนับประมาณไม่ได้เดียวโยมพระองค์ก็มาลึกถึงชาติกันก่อนของตัวเองได้เนี่ก็เต็มเปลี่ยมไปด้วยปีติที่มองเห็นอนิสง์ของการให้ทานอย่างชัดเจนนะเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยให้ยายโยมติดตามรับฟังได้ใหม่ ในวันหลังสำหรับวันนี้เวลาหมดตรงแล้วโยมนะอาตมาภาพรพระปริญญาปริญญาโนผู้ทาหน้าที่บรรยายต้องขอจากญายยติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร